ในช่วงคุยธรรมะวันนี้ก็ขอเจริญพานกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเราก็มาคุยๆคนพูดกันมากแล้วก็พูด ฉันทําอีกอย่างนึงค่อยบางคนก็บอกว่าทําอย่างสติทําสติเอ๊ะแล้วทํายังไงกันแน่ถึง หมายถึงการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ นึกถึงคนโน้นนึกถึงคนนี้นึกถึงอดีตนึกถึงระลึกรักนึกถึงรักระลึกนึกถึงเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นการระลึก และแต่ทําอะไรเรามาระลึกถึงสิ่งที่ถูกต้องระลึกสิ่งที่สิ่งที่ดีเช่นระลึกถึงบูรุชาเป็นต้นระลึกถึงธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงคุณมารดาบิดาระลึก นั่นระลึกถึงเรื่องศีลจาคะปัญญาศรัทธาพวก นะเค้าไปทําบุญบริจาคทางที่ไหนเค้าเขียนติดบอร์ดที่บ้านเลยเขียนที่บอร์ดที่บ้านก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆวันนี้ทําบุญที่วัดนี้เท่านี้รายเท่านี้พันเท่านี้ นะระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานๆนะต้องมีสติๆเรื่องราวต่าง วางไปทีนี้อย่างเวลาที่เราพูดในย้ำเสมอเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการเรื่องของๆนิดนึงตรงฟังฟังรายการนี้อยู่ อันนั้นน่ะคืออานาปานสติละนะสติคือการระลึกได้นะคือแล้วเราก็รู้ลมหายใจนั่นก็คือสติเหมือนกันแล้ว เรเรเรานึกถึงลมหายใจนึกถึงลมหายใจนี่คือสติในที่เราได้ทําความเข้าใจไปละก็ มีสติอยู่ในลมหายใจๆแต่คนที่ดีเราระลึกถึงสิ่งที่ๆแค่นี้แต่ทีนี้การถ้า นะอาการรู้ตรงเนี้ยก็คือสติเหมือนกันอย่างเช่นเวลาเรามารู้เราไม่ใช่ของเราอยู่อย่างต่อเนื่องสบายๆไปทีนี้ไอ้การที่เรา เทคโนโลยีก็ดีฉากก็งดงามดนตรีก็ไพเราะเรารู้อยู่แล้วเราไหลไปตามอันนี้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 อย่างเรารู้ลมหายใจมนุษย์บอกว่าฉันไม่รู้ลมหายใจจะไปเอ่ออยู่กับอีรี่บอทตามปกติรู้ว่าทํางานคิดอยู่รู้นึกอยู่รู้ว่าอยู่อย่างงี้เป็นใจลุ่มหลงกําหนัดยึดมั่นหมัวเมาดูหนังเป็นต้นอย่างเงี้ยนะแล้วบอกว่าตัวเองหรือ ความขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจเกิดขึ้นนะเราก็รู้เราโกรธอ่ะแม้ก็โกรธก็ถือว่าสติมันก็หลุดไปเหมือนกันนะอ่าเพราะฉะนั้น เนี่ยไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาไม่ได้โกรธกระฟัดกระเฟียดหรือว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรารู้อยู่ นอนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือทําอะไรบทใดๆอยู่เนี่ย <an> <t une> เราทำความรู้อยู่ได้อย่างๆที่มันละเอียดมันละเอียดอ่อนอยู่เนี่ยนะแล้วเรา หรือกี่ตารางมิลลิเมตรคนตัวเล็กๆหน่อยจมูกเล็กๆอาจจะกี่ตารางมิลลิเมตรนะหรือว่ามันทํามุมกี่องศากับตั้งจมูก เมื่อท่านลมไปสัมผัสผิวหนังส่วนอื่นในโพรงจมูกเป็นต้น นั่งอยู่ก็เหมือนกันนะยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่แล้วก็ไม่ให้จิตไปเจ็บอันนั้น ในเหลืออยู่แต่เอริบดของเราอย่างเดียวนะถ้าเราทําไปอย่างนี้อย่างนี้เอ่อจะสลับกันไปก็ได้ระหว่างรู้ลมหายใจนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นวิหารธรรม อ่ะไปอาจจะไปทํานู่นทํานี่พูดคุยสิ่งต่างๆหลายไปบ้างเอาพอนึกได้ได้ยากเลย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 ทำบ่อยๆทำซ้ำๆย้ำๆมันดีขึ้นไม่